รู้สึกว่าต่อแตนวัดเราเยอะนะปีนี้แปลกผิดปกติเหมือนกันตามปกติถ้าปีไหนฟ้าฝนไม่ดีฟ้าแรงฝนแรงในโดยมากโบ ร, โบราณเขาบอกว่าต่อแตนจะเยอะในปีนั้นถ้าว่าปีไหนฝนดีฝนตกชุกชุฝนตกมากๆในโดยมากไม่ค่อยมีต่อมีแตนแต่ปีนี้รสึกฝนก็ตกชุกอยู่แต่ว่าต่อแตนของวัดของเรารู้สึกว่าลังเยอะเหลือเกินนีให้ระมัดระวังแหะต่อ แต่ในตัวเหลืองโดยมากตัวเหลืองตั ว, ตวยาวเนี่จะเป็นแตนอย่างนั้นนะที่ต่อยค่ากับมหาทั้งสองวันเนี้ยคงจะลักษณะเขาเรียกแตนอะไรแตนแตนลิ้นแหลกหรือะไรเนี่ยนะมันเป็นไขข่าวว่าเป็นเป็นแผ่นๆ น, นะมันไม่ใช่ลังกลมเหมือนกันแต่กลมเขาเรียกว่าต่อนะต่อหัวเสือต่อหลุมต่อนอนกลางวันมันมีอยู่สองสามต่อตัวต่อนะอันนี้ตัวแตนนะเป็นลังต่บางคนก็แพ้จริงๆนะ อย่างเนี้ยว่าแพ้มากเลยทนะีเนี่ยพขต่อยเข้าไปแล้วก็หายใจไม่ออกเนะี่ยแสดงว่าแพ้มากแต่บางคนมีแต่เจ็บป ว, วดเฉยๆเจ็บต้องไปเจ็บก็เจ็บอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเข้าไปถึงระบบการหายใจอันนี้เข้าไประบบถึงการหายใจหายใจฝืดนีะ่แสดงว่าเขาแน่นหน้าอกอนะ่ะอันนี้ควรจะไปหาหมอนะ่ะแต่ตามจริงถ้าต่อยปุ๊บแต่ก่อนแล้วก็เคยกินยาแก้แพ้เนะี่ะยาแก้แพ้วัดเนี่นะ เนี่ยไม่ใหญ่ยาแพ้อย่างอื่นเนีย่ยยาใช้ยาหม่องทาทามันอนะันหนาหน่อยจากนั้นก็กินยาแก้แพ้เข้าไปอีกจะพักหนึ่งไปพักผ่อนแล้วก็หายแล้วเนีย่ยถึงจะไม่หายก็เจ็บกวพออดว่างั้นเถอะอะ่มันพออดไปถึงกับนั่นอ่ะถ้ามันปวดขึ้นมามากก็กินยาแก้ปวดเข้าไปอีกสัเม็ดสองเม็ดกับยาแก้แพ้เนี่ยวิธีการรักษาจากนั้นก็ใช้พวกยาหม่องยาอะไรทาตรงที่มันต่อย ก็ต่อยพวกกระลิบใส่เลยว่างั้นเถอะถ้าดูดูมันชาจะไม่ดีมืออาการปวดกกินยาแก้ปวดซะพารากระได้แล้วก็กินยาแก้แพ้ยาแก่วัดของเราเนี่ยยาแก้แพ้นักสองเม็ดเดี๋ยวก็จักพักสักชั่วระยะหนึ่งค่อยจางลงจางลงหายแต่ถ้าว่ามันเป็นมากกว่านั้นก็อย่างว่านะควรจะไปหาหมอเพาจะมียาที่เหนือกว่าแต่ตามไม่จริงที่คุณหมอเคยแนะนํา อาจารย์นะ่แต่ว่าท่านอยู่ป่าเนี่ยถ้าว่ามีแตนมีต่อมีตัวต่อตั ว, ต ว, ตวพึ่งอะไรต่อเยอะๆเนี่ยหายใจไม่ออกยาที่ดีที่สุดในขณะนั้นคือเพทนิซโลนยาเพทนิซโลนที่เป็นเม็ดยาครอบจั ก, กระวานเนี่ยให้กินไปก่อนแต่จะไปกินแล้วจะไปกินจะไปกินมากกินแล้วหยุดเพราะ ง, งั้นกินเทียงสองสามวันสองวันสักสามวันแล้วก็ให้หยุด ถ้ากินมากกว่า น, นั้นไม่ได้ไตพังกัดมันกัดกระดูกอีกต่างหากไอ้ที่คนตัวบมวมๆเนี่ยคือพวกนี้เฟนิสโตโลนอันตรายมากแต่เราชั่วคราวเราแก้ชั่วคราวเนะ่ยควจะใช้ยาตัวนี้ได้ผลดีดีที่สุดว่างั้นบรรดาปกต่อปกแตนผกแพทต่างๆเนี่ยที่เจ็บปวดเนี่ยใช้ยาตัวนี้ดีกว่านี่คือพวกหมอแนะนําอาจจะหลายคนก็อาจจะ หลายวิธีอย่างว่านั่นอ่ะท่านหมอคนหนึ่งหมอคนนี้ท่านก็นแนะนําทางนี้แต่เราก็ยังไม่เคยใช่หรอกแต่ก็ได้เตรียมไว้มันกันสมัยก่อนพอมาอยู่วัดใหม่ๆมันพวกสัตว์พวกงูพวกอะไรก็ทั้งเยอะแยะพวกต่อพวกแดนอะไรก็พวกผึ่งพวกอะไรก็มีก็ได้เตรียมไว้แต่พอมาอยุคสมัยนี้ก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลมีอะไรก็พึ่งพาโรงพยาบาลได้ใกล้ได้ง่ายก่อน ไม่ค่อยสนใจเรื่องหยุบเรื่องยาเหล่านั้นแต่ก่อนห่างไกลาจาก่ต้องน้ำโสมหรือเมื่อบ้านคืออันดับแร ก, กเราต้องเราต้องเป็นหัวหน้ามันก็ต้องเตรียมไว้พอสมควรเรื่องหยุบเรื่องยาพระเนรเกิดอะไรขึ้นเราก็จะต้องได้ดูแลรักษาทันท่วงทีแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่านี่แหละโรงพยาบาลอยู่ไกลแล้วก็เบา อ, อกเบาใจไปมากเรื่องเกี่ยวกับพระเนเรเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถึงอย่างไงก็เถอะถึงคราวมันแล้วเนีเ่ย เป็นหมอเองก็ยังตายวะไม่ได้ว่านะ่ะศาสดาจารย์หมอก็ไม่เห็นเหลือสักคนพอถึงคราวแล้วถึงอายุแล้วก็ต้องตายนะเกิดแก่เจ็บตายภาชนะถึงจะเล็กหรือใจอย่าละเอียดขนาดนั้นไหนก็เถอะผลในสือก็ต้องแตกสลายในที่สุดอันนี้คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วอืม อันนี้ก็เหมือนกันใครๆเกิดมาในโลกเนี่ยซึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะต้องตายด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าหมากักอยากมีดีจนลำรวยยศฐานบรรดาศักดิ์เฉลียวฉลาดโง่ขนาดไหนก็เถอะผลที่สุดก็ต้องตายด้วยกันอันนี้ถ้าเมื่อก่อนตายไม่สมควรนี่ต้องรักษาไปก่อนสุดความสามารถมราก็ต้องมีในคนที่รักษาได้ก็มีแต่บางคนก็ ไม่น่าตายก็ตายอันนี้มันเป็นเรื่องถดพิสัยบางคนก็นั่งอยู่ดีๆคุยกับหมู่เพื่อนดีๆหรือตายก็มีถมเถไปบางทีนอนหลับดีๆตายไปก็มีความตายใครจะไปเลือกได้ข้าจะตายบนผูกบนหมอนนอนหลับดีๆหรือเจ็บใครได้ป่วยซะก่อนไข้ข่ายยังตายใครจะไปเลือกได้อย่างนั้นบางทีกตายตกน้กําตกถ่าตกเหวตกรถตกลาอะไรสะพัดร้อยแป สรุปแล้วก็คือตายแนะ่ะหมดลมหายใจเข้าออกพอทิ้งไว้ก็เน่าเนี่ยนั้นคือตายแหละนี่นคือมนุษย์ชาติของเราเกิดแก่เจ็บตายที่พระพุทธเจ้าท่านมาแห่ประมาทให้สร้างคุณงามความดีอย่างพวกเราเราท่านๆเ น, นวันนี้ก็เป็นวันพระแปดคก็เป็นวันพระเดือนแดดับ15าคำ่ำกระดิมา รักษาศีลอุโบสถล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมต่อนี้ไปก็จะมีการนั่งสมาธิภาวนานกำหนดภาวนาของใครของเราใครถนัดอันไหนเคยปฏิบัติอย่างไรแต่แนวแถวของครูบาอาจารย์สายของหลวงปู่มั่นทีครูบาอาจารย์แนะนำเป็นทอดเป็น แถวเป็นแนวมาก็คือกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทท้งสติทางสติอยู่ที่ปลายจมูกหรือดั่งจมูกหรืออชานจมูกอ <c oughs> ที่ลมกระทบให้มีสติอยู่ในนั้นจะกําหนดพุทโทรหรือไม่พุทโทก็ได้เพียงแต่ให้กําหนดลมให้มีสติ ในลมหายใจเข้าหายใจออกอืมเราจะไม่บริกรรมมาได้คุณพ่อหายใจเข้าคุณพ่อหายใจออกคุณแม่อย่างนั้นก็นกอย่างได้อ่าถ้าบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ร่างกายของเรามาเราก็ไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้เยพ่อแม่เป็นผู้ให้ร่างกายมาอ่าเราจะคุณพ่อคุณแม่อย่างนั้นก็นได้พุทโธธรมโมสังโฆก็ได้อ่าเกิดดับก็ได้อย่างที่หลวงปู่ล่าท่าน สอนสมัยอาจะมาเป็นเนนเข้ามาท่านบอกเออเนเนภาวนาแต่ว่าพุโทโธก็ได้นะหรือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าไปว่าเกิดหายใจออกไปว่าดับเกิดตายเกิดตายแถ่เงี้ยนะมันหายใจเข้าไปว่าเกิดหายใจออกไปว่าตายให้มีให้รู้จักว่านี่นะ การเกิดการตายมันอยู่เพียงปลายจมูกนะลมไม่เข้าก็ใช่ายลมไม่ออกก็ใช่ายาถ้าหายใจเข้าแล้วลมไม่ออกกระช่ายตายถ้าลมออกแล้วมันไม่เข้ามาอีกมันก็ตายามีทั้งสมถะมีทั้งนิปัสนาอยู่ในนั้นท่านว่างันนะหรือถ้รา ล, ลึกถึงความตายตัวเองคือร่างกายสังขารเนี่ยต้องตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เพวัะนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ สิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดทุกข์ได้ยังไงเราก็ต้องปล่อยวางเนี่ยเพราะนั้ น, นการภาวนาเลยคร่บคือให้ปล่อยวางไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงอนาคตนี่ จ, จะเป็นไปยังไงในขณะที่นั่งภาวนาปล่อยทั้งอดีตปล่อยทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันก็ปล่อยให้ว่างกําหนดให้ว่างทั้งหมด ไม่ให้มีการยึดถืออะไรว่างในจิตในใจเดี๋ยววเราจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพูดตรงรู้หายใจเข้าหายใจออกให้มีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มีอารมณ์เป็นสองไม่ให้เกี่ยวเกาะกับอารมณ์ต่งตางๆเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอกุศลหรืออกุศลก็ตาม เ, เราไม่ต้องไปสนใจในขณะที่นั่งภาวนาปล่อยใจปล่อยให้ว่างที่สุด อ, อปล่อยว่าง อย่าไปคิดในช่วงที่นั่งภาวนาไม่ใช่ช่วงที่คิดช่วงที่ปล่อยวางหาย ใ, ใจเข้าพุทธาย ใ, ใจออกโทรให้อยู่กับพุทโทเท่านั้นนะทำใจให้ว่างปล่อยวางทั้งหมดนี่วิธีการที่จะทำจิตให้เป็ น, นเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางจิตใจรู้สึกมีความเยือกเย็นพอสมควร ไม่กระสับไม่กระสายไม่วุ่นวายไม่สายแสออกไปพังนอกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เดือดร้อนจิตใจไม่วุ่นวายจิตใจไม่เดือดร้อนจิตใจไม่หิวโหวยจิตใจพอตัวจิตใจนิ่งจิตใจสงบพอสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาทางปัญญาคิดปัญญาในคว่าคิดไตรตรองหาเหตุและผลกาหนดดูว่าร่างกายมีอะไรบ้าง ก็ พ, พุทธเจ้าครูบาอาจารย์นะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยคือหินรับปัญญาที่จะให้เกิดปัญญาได้ก็ต้องพิจารณาร่างกายเพราะร่างกายมันเป็นมันของหยาบมันเป็นของเห็นด้วยทั้งกายนึกได้ทั้งใจกายก็ตาก็เห็นร่างกายของเราของท่านคนอื่นเพราะนั้นท่านเจมีให้พิจารณากายเป็นของหยาบมองเห็นได้แต่ก็จะให้บุกกาหนดกายกายนเป็นหินรับปัญญามันก็เข้าใน ถ่ายของสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตานื้อแต่เรารู้สึกอยู่จยงปวดขาอย่างเนี้ย เ, เราไม่เห็นตัวปวดแต่มันปวดเรารู้อยู่ว่ามันปวดแต่คนอื่นอยู่ที่ไหนมันปวดที่ไหนปวดขาถ้าคนไม่รู้จกปวดเขไม่รู้จะเป็นยังไงเออตัวที่เองปวดนรู้ได้ปวดขานี่คืออะไรอันนี้ว่ามองไม่เห็นแต่ว่า คนที่คนบอกซะก่อนถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้ว่าเขาปวดขาเพราะมันมองไม่เห็นเอแต่ว่าร่างกายเนี่ถ้ า, าว่าตาบอดบอดเราก็เห็นได้เ อ, อหูขาดคนเราก็เห็นได้แต่หูหนวกมันมองไม่เห็นนี่มือนกันดนะําเนินงานเถอะเอถ้าเขาต้องใช้เครื่องดูซะก่อนจึงจะเห็นได้พราะมันถูกข้างใ น, ในตาบอดนี่เห็นได้แหละเอขาหักแขนขาดอะไรก็เราดูได้เพราะมันกายมันยากเพราะนั้นจะให้พี่นากาย เพราะมันเป็นของหยาบให้กําหนดตูกายทําให้เห็นมองไม่เห็นกายเราจะมองไม่เห็นเวทนาเราจะมองไม่เห็นจิตเราจะมองไม่เห็นธรรมแต่มองเห็นกายของหยาบแล้วขยับขอบจุพิจารณาตัวเวทนาก็จะเห็นได้จับจิตก็จับได้จับธรรมที่มากระทบจิตก็จับได้นี่เพราะนั้นท่านจึงให้มองของหยาบสกปรกเมื่อไม่เห็นของหยาบแล้วจะไปมองของละเอียดมองไม่เห็นหรอก ขนาดช้างทั้งตัวยังไม่เห็นเนีย่ยไปมองหาเข็มตกในพื้นดินจะเห็นได้ยังไงขนาดช้างยังไม่เห็นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนีถ้าเห็นกายซะก่อนพอเห็นกายของหยาบแล้วก็ต้องขยับเข้าไปกับมองจ้องเข้าไปไปจ้องเห็นของละเอียดคือนา ม, มธรรมเพราะนั้นทางการปฏิบรรัติธรรมเลยพูดว่ากายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านไหนเพิจารณาร่างกาย เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอจะพิจารณาได้แล้วไปพิจารณาร่างกายกายของเรามีอะไรบ้างกรรมาฐานหาเกษาโลมาณขาทันตาตะโจเกษาคือผมโลมาคือขนณขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังอันนี้ว่ากรรมาฐานหา จากนั้นก็จะไล่ไปมังสังเนื้อนะฮะรูเอ็นอทิคือกระดูกอธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกลางมามะตะยังหัวใจยกระนังตับกิโลมะกลางฝังผืดปีหักลางไตผ้าผ้าสังปอดอันตางไสใหญ่อันตะกุนังไสน้อยอุทรยาอาหารใหม่กระริสังอาหารเก่าเ่ยอันนี้คือถาดดินติดตังน้ําดีเสียมหางน้าทะเลปุบโพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ําเลือดเชโทน้ําเหงือเมโทน้ำมันท่อนอุ่นอัสูน้ําตาวัดสารน้ำมันเหลวก็ไล่ไปอันนี้คือถาดน้ํา ดินน้ำลมไฟลมคือลมหายใจเข้าออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวอันนี้คือธาตุลมธาตุไฟกับไฟยังกายให้อุ่นไฟเผาอาหารให้ย่อยเผาไฟเผาร่างกายให้สุดโสมอันนี้คือไฟสรุปแล้วก็คือคนเราในอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ชมกันอยู่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ถ้าหางวาดลมไม่มีร่างกายนี่ก็เนา่าถ้าไฟไม่มีร่างกายนี่ก็เย็นเฉือกตายาถ้าน้ําแห้งขาดร่างกายาร่างกายก็อยู่ไม่ได้ตายร่างกายนีย่พื้นฐานของร่างกายก็คือธาตุดินเป็นของแข็งโครงกระดูกตับไตไส้คุงหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะี่คือธาตุดินทั้งหมดดิ น, เ, นเป็นพื้นฐานรองรับ น้ำลมไฟนั่นน่ะพิจารณาเป็นาธาตุก็ได้กำหนดให้เป็นาธาตุก็ได้ร่างกายของเรามีาธาตุสีแต่มีาธาตุสี่แต่ว่าจิตใจของเราเนี่เป็นน้ำมาทํำเข้ามายึดคลองมายึดคลองมายึดถือวันนี้คือร่างกายของเราใครมาแตะต้องไม่ได้ห่วงห้ามห่วงเห็นบางคนก็จนเกินไปว่างั้นเถอะเหมือนกับเจ้าของจะไม่ตายสักทีห่วงกับหวงจนเกินไปห่วงออกไปทางนอก จนไมร่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอันนั้นเป็นตัวกิเลสเข้ามายึดครองทั้งทังการเป็นเป็นอยู่ของเราเพราะนั้นท้าวาทำเข้ามายึดครองในใจของเราแล้วมันก็รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักยึดถืออันไหนควรยังไงไม่ควรอย่างไรอันนั้นคือธรรมแต่ถ้าว่ากิเลสแล้วไม่รู้จัก อ, กอยึดถือไปหมดว่าเป็นตัวตนของเราะ มือกับตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นนะแต่ น, นี้ไม่พ้นสักคนต้ององถูกจะต้องวางมือทุกคนเพราะร่างกายมันอย่างที่ว่าเนี่ยอนอะอย่างที่ไร่ให้ฟังหนาการสามสิบสองน่ะอะไรคือเราอะไรคือคนะถ้ามาแยกกันดูแล้วผมเป็นคนผลเป็นคนเล็บเป็นคนหนังเป็นคนเอกระดูกเป็นคนนัเห็ินเป็นกรงกระดูกเป็นคนตับไตไส้ปุงเป็นคนอ ถ้าแยกกันเป็นส่วนแล้วอันนั้นคือตับอันนี้คือไตอันนั้นใจอันนั้นคือพุงอันนั้นคือกระดูกอันนั้นคือม้ามอะไรก็ไล่ไปถ้าแยกเป็นกองก็คือกองของอาการสามสิบสองของร่างกายถ้ามารวมเข้ากันก็คือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นผู้สมบูรณ์ยังไม่แตกยังไม่สลายถ้าแยกกันแล้วอ่ามันเป็นกองกองอย่างนั้นแหละแปลว่าตายแล้วใจออกจากร่างไปแล้วเอไม่อยู่ไม่ได้แล้ว นามธรทำตัวนามธรร ม, าามตัวจึดยึดคลองนะ่ยยึดไม่ได้แล้วเ่ยมันสลายแล้วที่เรามัน ย, ยึดได้อยู่นี้ก็เพราะร่างกายของเรายัางสมบูรณ์ยังเคลื่อนไหวได้ยังประกอบด้วยอธาตุสียังสมบูรณ์อยู่ยังสมดุลกันอยู่ยังสมดุลกันอยู่ร่างกายจึงอยู่ได้ถ้าหากว่าขาดจึงได้จึงในในธาตุสี น, 4, นะก็บกพร่องไปแล้วก็แปลว่าวิญญาณอยู่ไม่ได้แล้ว euh, ใจอยู่ไม่ได้บัญชาไม่ได้แล้ว บัญชาร่างกายไม่ได้ล่ะเดี๋ยวนี้ร่างใจของเราบัญชาร่างกายได้อยู่เดินไปเดินมากินข้าวกินน้าําขับถ่ายห้อยโหนโจนทยานวิ่งเ ต, งต้นอะไรก็ได้ทั้งหมดพอวิญญาณของเราเข้ามาครองเข้ามายึดถืออีกส่วนหนึ่งร่างกายของเราผสมประกอบเหมือนสันจเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆก็เหมือนกับคนขับรถอย่างนั้นน่ะคนที่ขับรถเป็นก็ใช้รถเป็นรถกับยังสมบูรณ์ มีน้ำหมกน้ำมันอะไรพร้อมทุกอย่างคนขึ้นไปขับก็คนก็เก่งเนี่ยฉลาดขับไปได้แต่ถ้าว่าคนผู้ขับเนี่ยไม่ฉลาดคนโง่กระตุกกระตักรถก็เสียน้ำมันก็หมดฝีมือขนาดไหนก็ฝีเถอะมันขับไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของคนเรากับใจก็เหมือนกันอย่างนั้นไงใจคือน้ำมาทํา มองมาเห็นด้วยตาเนื้อส่วนร่างกายเป็นรูปธรรมมองกันเห็นได้แต่ว่าตัวนามธรรมานะเข้ามายึดครองเข้ามายึดครองทางจิตใจเข้ามาครองทางร่างกายของเราถ้าจะว่าไปทางหลักทางแพทย์ทางหมอเขาว่าสมองเป็นสมองเป็นผู้สั่งงานกจริงสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็เหมือนสมองก็เหมือนกับ คอมพิวเตอร์ในเครื่องบินในยกรถดับนั่นะอืมบังคับรถทั้งหลายแหลนคนก็ต้องไปกดซะก่อนออคอมพิวเตอร์มือจะต้องบอกขึ้นมาว่าน้ามันยังมากทุกวันนี้รถยนต์ที่เขาทําทันสมัยเป็นหลายๆ ล, ล้านนีอมันเหมือนอ ว, ว, วัยวะร่างกายด้ยพอขึ้นไปถ้าหากว่าล้อขาหลังล้อหลังอมันอ่อนเนี่ย มันจะโชว์ขึ้นมาแล้วมันจะบอกขึ้นมาว่าขาหลังเท้าหลังอยยางแฟบนะอะบางทีมันก็โชว์ข้างหน้าอีกข้างหน้าขาขวานะอยางมันอ่อนนะอมันก็โชว์ขึ้นมาในแผงคอมพิวเตอร์นะอหรือว่าตาข้างนั้นมันบอดนะตาข้างนั้นมันเสียนะอในอาการของมันมันจะโชว์ขึ้นมาหมดเลยในร่างกายของมันอันนี้ก็เหมือนกันนะ ถ้าจะว่าไปสมองของเราก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละเราปวดแข้งปวดขามันก็รู้ได้รับรู้ได้ตัวใจเป็นผู่เป็นผู้นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าากว่ามันโชว์ขึ้นมาแล้วคนไม่เกี่ยวข้องมันคนไม่สนใจคือเหมือนกับวิญญาณมันก็โชว์มันกโชว์ไปอย่งังไงมันจะทําอะไรได้มันก็ไม่โชว์ต่างหากเนีเพราะเราไม่ได้สนใจมันก่อนที่มันจะโชว์ได้ก็เพราะว่ามัน คนที่รับรู้มีอยู่ในนั้นน้ำ ม, มาทำอันนี้เขาเหมือนกันในร่างกายของเรามีสมองกจริงอยู่รับรู้ได้น้ําตําเท้าเราก็รู้ได้เพราะสมองเพราะมันโชว์ขึ้นมามันบอกขึ้นมาทางสมองว่าเอ้ยน้ำตำเท้าตามมาจริงใจก็รับรู้นะเออมันตําเท้ามันดูซิมเป็นไงต้องออกถอนออกสรุปแล้วก็คือร่างกายมนุษย์นี่มีส่วนหนึ่งคือจิตใจ เข้ามาครอบครองเข้ามาดูแลเข้ามาอันนั้นประครับประครองดูอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านอสอนธรรมท่านไม่เคยสอนร่างกายด้ว่เนี่ยสอนนา ม, มธรรมคือใจนั่นแหละอสอนใจใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ท่านจึงยกเป็นพุทธภาสีเป็นบาลีขึ้นมาว่ามโนโปุพังขามาธรรมามโนเสถามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เหมือนั้นมีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้ว้วยใจอืมใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามองไม่เห็นอ่ามองไม่เห็นหน่อยเป็นนามะธรรมามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่นักวิทยาศาสตร์และนักพิสูจน์ของเขาเน่ยเขาตามไปถึงแต่สมองในคนที่ใช้สมองเขาตามไม่เห็ น, นเพราะหลักวิชาของเขายังตามไม่ทันยังยังยังไม่คิดถึงลึกขนาดนั้นเหือนนั้น อเพราะนั้นอระพุทธศาสนาของเราเนี่ยลึกกว่าสมองไปอีกเพราะงั้นถเถอะอ่คือนา ม, มาทําเป็นผู้สั่งสมองอืคิด ส, สมองสั่งสมองให้คิดให้ทําอะไรนี่แหละว่านา ม, มาทําเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนให้ถึงนา ม, มาทําตัวรู้ตัวรู้ตัวนี้แหละเป็นตัวการสําคัญอืตัวนี้มันเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยกิเลสลา ราคะคือความกำหนักยินดีความรักสวยรักงามสิ่งไหนที่พอใจพออกพอใจ เ, อเกิดความรักใครยินดีราคะโทสะคือสิ่งไหนที่ไม่พอใจก็เกิดโทสะคืออารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาในจิตในใจโมหะคือความหลงเป็นพื้นอยู่แล้วในจิตในใจของมนุษย์ตัววิชากิเลสตัวใหญ่ๆ ใ, ในจิตใจของเรากือคือนี่แหละราคะโทสะโมหะนี่แหละ อแต่ตัวใหญ่ที่จุดตัวเป่งที่สุดก็คือตัววิชาคือตัวไม่รู้อืมออกมาจากจุดนั้นพุทธเจา้าทังบอกไว้แล้วความหลงนั่นแหละเป็นตัวใหญ่ที่สุดถ้าไม่หลงมันก็ไม่รักถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธมันหลงซะก่อนมันจึงกิเลสทั้งหลายมันจึงออกมาอย่างลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ชำระใจให้รู้อย่าไปหลงกา น, นเถอะิอ กำจัดตัววิชาออกจากจิตใจให้รู้แจ้งให้รู้จริงแล้วก็ปล่อยวางอ่าแตอ น, นั้นละ่ะจบอ่ารู้ที่ไหนปล่อยวางที่ไหนอ่ก็รรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจอถอดถอนที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจอก็จกธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเกิดมา ดูที่ใจแก้ที่ใจนะนั่นคือเป็นตัวใหญ่ที่สุดพอเรื่องทั้งหลายออกมาจากใจทั้งหมดอืมแต่เมื่อเราชําระจิตใจแล้วจิตใจก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์คล้ายๆกับว่าหมดเชื้อหมดเชื้อคือราคะโทสะโมหะมีแต่ความบริสุทธิ์ในจิตใจเหมือนกับเคยพูดให้ฟังก็เหมือนเมล็ดข้าว เราไปนึ่งแล้วเม็ดข้าวดิบนะเม็ดข้าวเปลือลกนี่นะอเม็ดข้าวเปลือกแล้วก็นึ่งได้ไม่ใช่เม็ดข้าวสารนะเม็ดข้าวเปลือกน่ะเป็นนึ่งอพอเป็นนึ่งเสร็จแล้วเนะี่ยเม็ดข้าวมันศูนย์ไหมมันก็ไม่ศูนแต่สิ่งไหนที่มันศูนก็เชื้อพันุของมันเชื้อที่จะให้มันงอกเกิดอีกมานเะน่ะศูนย์ตามันก็หมดยางมันก็หมดที่จะให้มันเกิดอีก แต่ถ้าหากว่าเราไม่นึ่งมันอะ่ะเราไปถูกน้ําขึ้นมาแล้วไปถูกแดดถูกฝนมันก็งอกเงยขึ้นมาสมส่วนขึ้นมามันสมส่วนว่างั้นเถอะถูกความชื้นความอะไรพอเหมาะสมส่วนขึ้นมามันก็เกิดเกิดขึ้นมาได้เพราะพันุ์ขึ้นมาได้แต่เราเอามานึ่งซะนี้เอานึ่งเอามานึ่งด้วยไฟเอามาแช่เอามานึ่งด้วยไฟซะเรามั่นใจมากว่าข้าวนึ่งแล้วไปปลูกเกิด เรามั่นใจพันเปอร์เ็น์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เ็นตหมือนกันเมื่อหนึ่งเสร็จแล้วไม่เกิดอีกแน่นอนเอาข้าวหนึ่งไปกล้าเลยมันจะไม่เกิดอีกแน่นอนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่ า, าที่ให้ใช้จักรธรรมคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละต้มข้าวหนึ่งข้าวให้สุก เ, เมื่อข้าวสุกแล้วจิตใจหมดเชื้อคือราคะโทสะโมหะแล้ว ไม่เกิดอีกแน่นอนศูนย์ไหมศูนย์แต่เชื้อแต่ความบริสุทธิ์นั้นเม็ดข้าวยังยังบริสุทธิ์อยู่นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้ามันศูนย์ปนปีไปหมดมันจะหาความสุขได้อย่างไรเหมือนกับศูนย์ทั่วไปอันนี้นิพพานนิพพานศูนย์ศูนย์คือศูนย์จากเชือ้อไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกศูนย์ด้วยความบริสุทธิ์เนี่ย ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ชำร ะ, ะสิ่งที่มันจะมาปุงให้มันเกิดดีถ้าเกิดดีมันก็ต้องตายแน่นอน เ, อเกิดร้อยชาติก็ตายร้อยชาตินะพันชาติกับหมื่นพันชาติกับตายพันชาติหมื่นชาติกับหมื่นชาติน ะ, ะเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นแหละเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเบื่อหน่ายคลายติมหาต้นต่อแห่งความไม่เกิดทำยังไงจึงไม่เกิดไม่เกิดก็มีทางเดียวเท่านั้นแล้ว เ, เ, เม็ดข้าวมาหนึตัว ทํามานึงแล้วจะมาเกิดได้อย่างไรไม่เกิอดอีกเม็ดข้าวหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราให้สนใจประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ริ่อเรื่มตั้งแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอย่างที่กล่าวมาตั้งเบื้องต้นนะเรื่องสมาธิให้จิตให้สงบจิตให้เป็นหนึ่งปล่อยวางจากอารมณ์ทั้งหลายไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันเมื่อ จิตอยู่ในปัจจุบันสงบอยู่ในฐานพอสมควรแล้วก็ น, นำมาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาอะไรก็บอกว่าพิจารณาธาตุสีธาตุดินถ่นานน้ำถ่านลมธาตุไฟหรือพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดอันไหนอันใดอันหนึ่งก็ได้ไม่ใช่เราจะไล่เหมือนนกแก้วนกคุนทองเราภาวานาดูกำหนดดูนะ เพราเราให้ต้อง อ, อกตั้งใจนะภาวนาทุกคนก็มีจุดมุ่งหวังมีจุดมุ่งมั่นก็คือนั่นแหละคือมุ่งหวังคือผนิพานด้วยการหมดทุกคนถึงใครจะนับถือสาธานาอะไรที่จะไทยทําทชั่วทําดีขนาดไหนจุดมุ่งหวังก็คือผนิพานเห็นอริยาสัจสี่ชำระกิเลสด้วยการหมดทุกคนแต่ว่าบา ร, รมีของแต่ละคนมันยัง ยังไกลยอยู่ยังมากอยู่ด้วยกิเลสราคาโทสะโมหะยังห่อหุ้มด้วยกิเลสราคาโทสะโมหะมันก็ยังไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงพูกใ ด, ดเข้าไปใกล้ก่อนใกลป้ปากขออไปก่อนพผ้ยังไกลกอ่าอยู่ไปผลนี้ช่วยกัคือความมุ่งหวังก็คือพระนิพพานโดยการหมดทั้งทุกคนนั่นแหละผิดบั่งถูกบั่งสูงบั่งต่ำบั่งไปเรื่อยมัน ง, งั้นเะ แต่พวกเรามาถึงจุดนี้แล้วความดีความชั่วบาปปุลคุณโทษเราพอจะลำลึกได้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนไม่ควรคิดสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดถ้ามีทำในจิตในใจแล้วก็จะรู้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้ขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะต่อนนไปก็พวกเราทุกทุกท่านกนั่งสมาธิ แล้วก็ฟังเทศตรงตาสักกันห น, นึ่งนั่งเมื่อนั่งสมาธิขัดสมาดพร้อมแล้วหันหน้าไปทางดูพระประธานนั่นน่ะดูพระประธานนั่งยังไงั่งอย่างนั้นอะ่ะพอ น, นั่งเสร็จแล้วก็ปนมมือปนมมือขึ้นระว่างอกนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็ทําใจให้สบายสบายปล่อยวางกับบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธ ให้มีสติอยู่ที่เราพวกเรากำหนดเอาไว้คือลมหายใจที่ปลายจมูกนั่นแหละนั่นจากนั้นก็พอกำหนดเราจะพิจารณาร่างกายก็ได้อย่างที่กล่าวมานั่น <c oughs> แหละขั้นตอนในการปฏิบัติ